วันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์2538เป็นการบรรยายพิสูตรในสังยุตติกายเรื่องปฏิจจสมุปาตโดยอาจารย์สุเทพโพ ธ, ธิสัต t h ท่านสาธารณชนที่เคารพการบรรยายปฏิจจสมุปาทวันนี้อาจารย์อธิบายสืบต่อจากคราวก่อนที่กําลังกล่าวถึงเรื่องอวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารเอกสารที่แจกให้ ในวันนี้ได้พูดถึงเรื่องของสังขารสามอย่างเป็นการขยายความให้เห็นชัดเจนขึ้นอีกนิดนึงว่าสังขารสาอย่างที่ประกอบด้วยปุญญาพิสังขารอาปุญญาพิสังขารอาเนนชาพิสังขารปุญญาพิสังขารได้แก่กุศ ล, ลกรรมนั่นเองอาปุญญาพิสังขารก็คือกุศลกรรมอาเนนชาพิสังขาร ก็คืออรูปวิชานหรืออรู ป, ปรกุศลที่เรียกว่าอานเนจชาพิสังขารซึ่งแปลว่าสังขารที่ไม่หวั่นไหวก็หมายความว่าเป็นการแยกกุศลธรรมออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเรียกปุญญาพิสังขารส่วนหนึ่งเป็นอานเนจชาพิสังขารก็ขอให้ดูปุญญาพิสังขารที่เรียกว่าสังขารที่เป็นบุญเนี่ยประกอบด้วยบุญ ชั้นที่อาจจะเรียกได้ว่าชั้นต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับบุญชั้นอื่นซึ่งปีรูปราจารเป็นต้นมหาคุศลและจิตมหาคุศลและเจตนาแปดแปดหมายถึงที่เกิดอยู่ในมหาคุศลและจิตแปดวงในจิตที่เราได้เคยเรียนมาแล้วสำหรับท่านที่เคยเรียนแล้วก็จะนึกออกแต่สำหรับท่านที่ไม่ได้เคยเรียนเรื่องจิตปรมาสมาไม่ได้ยินคาว่ามหาคุศละจิตแปด หรือมหากุศ ล, ลเจตนาแปดนั้นก็อาจจะไม่ได้ความชัดเจนก็ขอให้กําหนดง่ายๆว่ามหากุศลลจิต8ดหรือมหากุศ ล, ลเจตนาแปดนี้เป็นกุศลระดับชาวบ้านหรือเป็นจิตระดับชาวบ้านที่เราทําบุญทํากุศลชั้นต้นบางชั้นกลางบ้างชั้นสูงบ้างถึงสูงก็ยังจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับชาวบ้านยังเป็นกามาวาจร อ, อีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่ารูปเฝ้าจรกุศลนั้น ความก็ง่ายหน่อยหมายถึงกุศ ล, ลเจตนาที่เป็นรูปประฌานปุญญาพิสังขารมุ่งหมายเอากุศลสองอย่างนี้ขยักเอารู ป, ประฌานกุศลไว้เป็นอานเนจารพิสังขาร น, นี่เราก็ดูว่ามหากุศลลจิตแปดหรือกุศลในระดับชาวบ้านที่บางครั้งเรียกว่ากรร ม, มากุศลเนี่ยทําอะไรบ้างแต่มองในแง่ของบุญกิยาเราก็จะพบว่ามหากุศลจิตแปดนั้น เกิดขึ้นในกรณีของการให้ทานอันรักษาศีลจะเป็นศีลห้าศีลแปดหรือแม้แต่ศีลสองรอยี่สิบเจ็ดที่บุคคลสมาธานรักษาอย่างพระทรงศีลสองร้อยิบเจ็ดเนี่ยก็จัดเป็นการรักษาศีล น, นั้นอยู่ด้วยมหาคุศลละจิตเหมือนกันถึงจะเป็นศีลชั้นสูงก็ตามและเมื่อไปทำวิปัสนาวิปัสสนาญาณ ที่ยังไม่ถึงมรึงผลนะเรียกวิวปัสสนาตัวจิตนั้นเป็นมหากุศุ ล, ลจิตเมื่อไปทําสมาธิที่ยังไม่ได้บรรลุฌานคือยังไม่เป็นอัปปนาสมาธิอคือบริกรรมสมาธิก็ดีอุปจารสมาธิก็ดีเหล่านี้จิตโดยตัวจิตเนี่ยครับยังเป็นมหากรุส ล, ลจิตแต่แต่พอทําไปถึงอัปปนาสมาธิเข้าจิตนั้นก็ เลื่อระดับไปเป็นรูปประชานกุศลหรือรูปประชานกุศลอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราจะต้องกำหนดเพราะนั้นการจําแนกมหากุศละจิตแปดโดยทาบุญที่เป็นบุญในแง่ของบุญกิยาสามก็จะครอบคลุมทานละไมกุศลซึงเป็นบุญกิยาข้อที่หนึ่งศีลละไมกุศลบุญกิยาข้อที่สองแล้วก็ภาวนาไมากุศลในบางส่วนนะไม่ใช่ครบหมดทุกส่วน พูดให้ชัดก็คือว่าภาวนาใหม่กุศลชั้นต้นภาวนาใหม่ชั้นต้นเราทำด้วยมหากุศลและจิตก็ถึงจะเป็นชั้นต้นแต่ก็ถือว่าเป็นบุญกิจยาฝ่ายภาวนาใหม่ น, นี้เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะต้องตั้งหลักไว้เพื่อจะได้พูดถึงความสัมพันธ์กับอวิชชาต่อไปสำหรับรูประฌานกุศลห้าเนี่ยก็เกิดขึ้น ในบุญกิยาเพียงฐานะเดียวคือเป็นภาวนาไม่กุศลเพราะคนเข้าฌานนั้นย่อมให้ทานไม่ได้ย่อมสมาทานศีล ร, รักษาศีลไม่ได้ก็ได้แต่ความเป็นภาวนาไม่ยอย่างเดียวแต่ภาวนาไมยของฌานเนี่ยเราเรียกว่าเป็นภาวนาไม้ชั้นสําเร็จหรือชั้นสูงไม่ใช่ชั้นต้นอย่างมหากุศลจิตแปดอันนี้เรียกว่า เป็นขอบเขตในทางบุญของบุญญาพิสังขารจากนั้นเรามาดูอปุญญาภิสังขารบุญญาภิสังข า, า, ารนั้นได้แก่อาคุศน ล, ลเจตนาสิบสองคืออาคุศ ล, ลเจตนาที่เป็นโลภะจิตแปดดวงที่เป็นโทสะจิตสองดวงที่เป็นโมหะจิตสองดวงใครไม่ต้องการตัวเลขก็เพียงแต่นึกว่าอาคุศ ล, ลเจตนาที่เป็นโลภะเป็นโทสะเป็นโมหะ นั้นก็เปนานจะได้เหมือนกันกรณีอากุศลเจตนาทั้ทงสิบสองหรือทั้งสามส่วนเนี่ยโลภะโทสะโมหะเนี่ยนะฮะเป็นอากุศลที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับอากุศลธรรมพวกหนึง่งแล้วก็เป็นอากุศลที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับกุศลธรรมพวกหนึง่งคือพูดง่ายว่าอากุศลที่เกิดกับอากุศล แล้วก็เกิดกับกุศลธรรมอีกพวกหนึ่งมีเป็นสองพวกก็เป็นเรื่องที่อวิชาเป็นปัจจัยครอบคลุมถึงทั้งหมดเราก็ดูให้เห็นชัดลงไปว่าอากุศลเจตนาที่เกิดกับกุศลธรรมเนี่ยมันมีสองกรณีกรณีหนึ่งคื อ, อกุศลธรรมที่นำไปสู่อาบายได้ได้แก่การผิดศีลห้า หรืออากุศ ล, ลกรรมาบทสิบสี่ห้าเราก็จํากันได้ทุกคนว่ามีอะไรบ้างก้าศัต ร, ร์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดโกหกดื่มสุ่ยดื่มของมืนเมาอากุศลกรรมาบทสิบนั้นก็มีทางกายได้แก่กาศัตร์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการก็ไปจำกับสี่ข้อตน้นทางวาจาอีกสี่ก็พูดโกหกพูดคำหยาพูดส่อเสียดพูดประเจอมโนกรรมสามหยาก เอ่งเลงอยากได้ของเขาโดยไม่ชอบผูกพยาบ า, มาทมัด้ลยผู้อื่นแล้วก็เห็นผิดคือม่จฉาทิติอันนี้เป็นอากุศลตําบที่นี่ถือว่าเป็นมาตรฐานนังศีลและธรรมชั้นต้นสําหรับผู้ที่ประพฤติล่วงซือผิดศีลห้าเป็นต้นเนี่ยชื่อว่าเกิดอากุศลลักธรรมหรืออากุศลกรรมชนิดที่นําไปสู่อาบายได้ อบายหมายถึงไปเป็นสัตว์ในรอยสารเป็นต้นอีกชนิดหนึ่งไม่นำไปสู่อบายได้แก่อคูศน ล, ละธรรมที่ไม่เกี่ยวกับการผิดศรรีลแล้วก็ไม่ได้ผิดอคุศ ล, ลกรรมบทก็ในทางธรรมะเขา ก, ก็พูดละเอียดว่าเช่นแม้อความยินดีติดใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโปุถะภาในธรรมมลงอย่างคติของปุตชน์ทั่วไปก็ดีหรือความ หมุดงิ ด, งดความเดือดร้อนเนื้อร้อนใจเล็กๆน้อยๆ อ, อะไรพวกนี้นะฮะก็ไม่ได้ผิดสีอะไรไม่ได้ทําให้คนอื่นเดือดร้อนแต่โดยสภาวะจิตเนี่ยถือว่าเป็นบาปชนิดหนึ่งที่เราจะสําคัญวัตดีหรือไม่ดียังไงก็ตามจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่เมื่อจิตเป็นอย่างนี้ถือเป็นบาปอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอกุศลเจตนาที่เนื่องกับอกุศลลธรรมเหมือนกันแต่ไม่นําไปสู่อบาย คือไม่ทุจริตที่เรเรียกว่าบาปที่เป็นทุจริตกับบาปที่ไม่เป็นทุจริตสองอย่างทีนี้ที่ละเอียดลงไปอีกหน่อยก็คืออกุศลเจตนาที่เกิดกับกุศลละธรรมนีม่เป็นเรื่องที่ละเอียดลงไปว่าคนที่ทำกรรมมากุศลก็ดีทำชานกุศลก็ดีอกุศลเข้าไปเกี่ยวข้องอยู่เป็นอันมาก เช่นอากุศลคือความโลภเข้าไปยินดีติดใจในกุศลนะยินดีติดใจในตัวกุศลก็ดียินดีติดใจอยากจะได้ผลของกุศลก็ดีแล้วก็ไปทำกุศลนั้นเพื่อสนองตอบความโลภของตัวเองตัวกุศลเนี่ยมันเป็นกุศลแน่แต่อากุศลที่เข้ามาผัวพันเนี่ย เป็นอกุศลทาให้กุศลนั้นไม่บริสุทธิ์แท้จริงโทสะก็เข้ามาเกี่ยวข้องได้เราก็จะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยเราทำกุศลแล้วก็เกิดโทสะไม่ว่าจะทําทานบางครั้งก็เกิดโทสะก่อนหน้านั้นก็ดีระหว่างขณะทาก็ดีหรือหลังจากทําแล้วก็ดีด้วยเหตุต่างต่างกันที่เราก็จะจะมีประสบการณ์กับทุกคนเนี่แล้วก็ทาด้วยทาด้วยความหลงด้วยโมหะ ทำแล้วก็หลงไม่รู้ไม่ใส่ใจไม่มีสติสมัมปชัญญะในกุศล น, นั้นก็มีคือเรียกว่าทําทิ้งทํากว้างทาอย่างคนวิคนจริตทําทําอย่างคนเมาสุราแล้วก็ทําไปด้วยอัสยาสายเก่าแทรกเข้ามาให้ทําก็เป็นเป็นกุศลที่มีโมหะเข้าไปเกี่ยวข้องลดราคาของกุศลลงมาอาชานกุศลก็เหมือนกัน คนที่ได้ฌานแล้วย่อมติดใจในฌานกําลังจะทําฌานให้ได้ก็เกิดความยึดติดอยากได้ก็เป็นอกุศลเหมือนกันนะครับแต่อันนี้ไม่เรีย้แล้วเป็นอกุศลไปทั้งหมดอยู่ที่มัลติการอยากหรือไม่อยากนะอยู่ที่ความรู้สึกที่เป็นสภาวะจิตขณะนั้นแล้วก็คนที่ได้ฌานแล้วฌานแตกเรียกก็เกิดความ เสียใจนึกถึงฌานนั้นไปความโทรมานัสเนี่ยก็ฌานก็มาเกิดกับอามาเป็นปัจจัยแก่อกุศนเจตนาตัวนี้แล้วก็ความไม่รู้แจ้งในฌานจิตนั้นของผู้ที่มีโมหะครอบงำก็เป็นไปได้อีกก็เลยเห็นว่าอกุศนเนี่ยเกิดขึ้นกับอุสนละทรรมได้โดยประการเป็นอันมาก สำหรับเรื่องอากุศลเนี่ยมันมีก ร, กรณีตรงนี้แหละที่เรากุศลเกิดอากุศลที่เกิดกับอากุศลเนี่ยเป็นกิเลสชั้นสูงเป็นกิเลสชั้นสูง ท, ที่ที่น่าศึกษาเป็นพิเศษแล้วเราก็จะได้สังเกตเห็นจากในพระไตรปิฎกที่พทธเจ้าทรงแสดงกิเลสในหมู่ของกัลยาณพุทุชนคือพุทธชนคนดีเนี่ยจงจะทรงแสดงให ละกิเลส ท, ที่เกี่ยวกับกุศลธรรมเพราะว่ากิเลสชั้นสูงนั้นย่อมปิดบังกุณธรรมชั้นสูงอ่าเดี๋ยวเราค่อยไปดูเรื่องของอวิชชาที่เป็นปัจจัยอะไรก็นี้มาดูอาเนชาพิสังขารก็จะขอย้ําในทางลึกนิดนึงว่าที่เรียกว่าอาเนชาพิสังขารเนี่ยหมายถึงกุศลกรรมชนิดที่ไม่หวั่นไหวถ้าถามว่าไม่หวั่นไหวอ ย, อย่างไร ตอบอย่างเอาชัดเอาลึกกันก็คือว่ากุศลแลธรรมอื่นคือปุญญาภิสังขารเนี่ยยังไม่จัดเป็นอาเนจาพิสังขารเพราะว่ายังหวั่นไหวถามว่าหวั่นไหวด้วยอะไรหวั่นไหวด้วยกําลังเจตนานั้นเมื่อบุคคลทําการมกุศลและรูปฌานกุศลเวลาให้ผลเนี่ยมันให้ผลผิดไปจากตัวผิดไปจากตัวเนี่ยหมายความว่า เวลาที่เราทํามหากุศลเจตนาเวลาได้เปโววิบากเนี่ยเป็นมหาวิบากบ้างเป็นวิบากเล็กน้อยก็ไปก็ปล่อยบ้างแล้วก็เป็นรูปธรรมก็ได้คือเป็นกรรมเป็นรูปคนที่ทํารูปประชาญกุศลทําแล้วก็ให้ผลเป็นรูปประชาญวิบากบ้างแล้วก็ให้ผลเป็นรูปก็ได้รูปประพรมเนี่ยก็ยังมีรูปธรรมใช่ไหมเพราะนั้นถือว่านี่คือความหวั่นไหวของกรรม เดี๋จะเห็นไหวตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับไอ้เจตนาไอ้ไอุ้งสั้นนะแต่หมายถึงกรรมกรรมที่ให้ผลแล้วไม่ไม่ไม่ตรงที่ตรงทางมีการให้ผลผิดพลาดไปจากความเป็นเหตุนะฮะความเป็นเหตุของตัวเองแต่อรูปฌานกุศล น, นั้นไม่ให้ผลเป็นอื่นเลยครับให้ผลเป็นอรูปวิบากอย่างเดียว ตรงตัวเลยอรู ป, ปรชานที่หนึ่งก็ให้ผลเป็นอรู ป, ปรชานวิบากที่หนึ่งไม่ให้ผลเป็นรูปเประฉะนั้นการให้ผลอย่างแน่ชัดแคบเฉพาะอย่างนีนะ้เรียกว่าเป็นอาเนนชาคือความไม่หวั่นไหวก็เลยได้ความว่าความหวั่นไหวเนี่ยมันมีสองหนึ่งหวั่นไหวด้วยกิเลสคืออุทต จ, จักสองหวั่นไหวด้วย กรรมด้วยกรรมบางอย่างเจตนาที่ไม่ไม่แข็งแรงในการให้ผลก็เรียกว่าวันไหวอานเนชาพิสังขารกล่าวถึงพลังเจตนาที่ให้ผลอย่างไม่วันไหวทีนี้ฐานะของบุญกิยาวัตถุของอรูปฌานเจตนาสี่เนี่ยเป็นภาวนาใหม่ระดับ อัปปนาภาวนาไม่เกี่ยวกับทานไม่เกี่ยวกับศีลไม่เกี่ยวกับบุญกิจาข้ออื่นทั้งหมด น, นี่เป็นเรื่องของสังขารสามนะฮะที่เรากำหนดให้ชัดลงไปอย่างนี้ก่อนคราวนี้เราก็กลับมาดูความสัมพันธ์กันระหว่างอาวิชากับสังขารคือสัมพันธ์กันโดยความเป็นเหตุเป็นผล อวิชชาเป็นเหตุสังขารเป็นผลสังขารเป็นกรรมอวิชชาเป็นกิเลสใช่ไหมอวิชชาเป็นกิเลสตัวหนึ่งชนิดหนึ่งที่ท่านกล่าวว่ากิเลสเป็นเหตุให้เกิดกรรมเนี่ยตอนนี้กำลังพูดถึงกิเลสตัวเดียวคืออวิชากิเลสเป็นเหตุให้เกิดกรรมหลายอย่างหลายอย่างคือสามอย่างนั่นเองครับทั้ง กุศลกรรมนั้งอกุศลกรรมไอต้ตรงนี้แหละที่เราเป็ น, ป น, ปนจุดยากผมพอมาแจกเอกสารอะไรแล้วเห็นมีบางท่านที่มาฟังสมทบด้วยที่ไม่นจะเป็นขาประจำกันมานานเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมพลาดไปนิดนึงที่เอาเอกสารที่ค่อนข้างจะละเอียดจัดเกินไปเนี่ยมาแจกให้บางทีมันอาจจะเหมือนเป็นเรื่องที่ทำให้ท่านกางนังวล แล้วยากขึ้นนะน่าจะเขียนเอาเอาเฉพาะสาระไม่เอาตัวรูปตัวเลขอะไรมากไม่ใส่ปัจจัยเข้ามาซะเต็มเปียบจนกลายเป็นปัจจัยชนิดที่ทาให้ท่านไม่อยากจะมาฟังกันต่อนะนี่อันหนึ่งแล้วก็เป็นภาระที่จะต้องพูดกันมากซึ่งการพูดในครั้งนี้นะ่ะพูดผูกพันอยู่กับพระสูตรด้วยความตั้งใจเดิมไม่ใช่เป็นการบรรยายปฏิจจ์โดยตรง แต่ปฏิจจาโดยโตรงทัาพูดเป็นเอกเทศเอากันเรียกว่าผมรู้แค่ไหนผมพูดแค่นั้นต้องใช้เวลาเป็นปีแล้วผมก็เรียนว่าผมมีมิติเกี่ยวกับเรื่องปฏิจจเนี่ยมากมายมากมายที่ตั้งใจจะบรรยายเรื่องนี้ให้เป็นพิศดานก่อนที่จะตายไป ว่ามันคืออะไรแน่นะฮะแล้วผมก็มีมีความคิดแล้วก็มีความเชื่อ ว, ว่าเน่ที่จะนำประมวลความรู้ต่างๆมาลาดับสายทอดได้อย่างดีเนี่ยแต่จะต้องทำกันอย่างทุ่มเทมากเป็นพิเศให้เป็นที่ฟังได้ให้เป็นที่เถียงไม่ได้แก่คนที่ไม่เห็นด้วยด้วยหลักด้วยฐานด้วยบทอธิบายต่างๆเนะก็ชวนกันให้รอหน่อยดังนั้นเที่ยวนี้ก็พูด ตามสมควรเท่าที่จะพูดให้เข้าใจกันได้นะฮะอันนี้เราก็มาดูดูตรงนี้นะกาลังจะพูดถึงอวิชาที่เป็นปัจจัยแก่สังขารเนี่ยเราจะมาดูลักษณะของความสัมพันธ์กันของสองตัวนี้ว่าสัมพันธ์กันยังไงที่บอกว่าอาวิชาที่เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารมีการอย่างรายการหมายถึงระยะเวลาดูตรงจุดนี้นะว่า อวิชชาการมันก็มีสองสามการปัจจุบันดียอนาคตทีนี้การเนี่ยผมหมายที่เราพูดถึงสิ่ง2างสิ่งที่สัมพันธ์กันเนี่ยแล้วก็พูดว่าอาวิชชาที่เป็นเหตุให้เกิดสังขารเนี่ยถามว่าอาวิชชาเกิดก่อนสังขารหรือเกิดหลังสังขารหรือเกิดพร้อมสังขารเรื่องนี้นะบางทีมันอาจจะไม่เหมือนกับที่เราพูดว่า พ่อแม่เป็นเหตุให้เกิดบุตรเนี่ยใครเกิดก่อนกันนยะบุตรเกิดมารอพ่อรอแม่หรือรู้ว่าพ่อแม่เกิดก่อนแล้วก็มามีบุตรตามหลังเป็นผลนะก็เราก็รู้ว่าถ้าเป็นเรื่องพ่อเรื่องแม่เรื่องลูกก็อย่างนี้การบังคับแน่นอนเกิดพร้อมกันก็ไม่ได้นะพอแม่เกิดก็มีลูกติดท้ทองมาเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่รู้ไปเอาลูกที่ไหนมา ไม่ได้เด็ดขาดภูมิไหนก็ไม่ได้ด้วยครับภูมิไหนก็ไม่ได้ถึงพระพุทธเจ้ามีสาชาติเนี่ยราชาติของท่านก็มีนู่นมีนี่ที่เกิดพร้อมกันนะแต่ปลาราหุ่นเกิดวันเดียวกันเปล่าเกิดวันเดียวกันเนี่ยอย่างพระอาโนนพระนางพิมพาต้นโพเนี่ยมา กันตะกะนายชั้นหน้าเป็นพวกสาชาตแต่พระลาหุนไม่ได้เกิดวันเดียวกันเกิดวันเดียวกันคงไม่มาเป็นพ่อเป็นแม่กันหรอกต้องเกิดทีหลังแต่อวิชาที่เป็นปัจจัยแก่สังขารเนี่ยผมตอบว่วทั้งสามการตอบเอาเต็มเลยนะตอบเอาเต็มเลยคืออวิชาที่เกิดก่อนสังขารก็มี อาวิชาที่เกิดก่อนสังขารบางอย่างกระสังขารมีหลายอย่างอาวิชาที่เกิดพร้อมกับสังขารบางอย่างก็มีอาวิชาที่เกิดหลังสังขารก็มีนี่นี่ยเราก็มาดูอาวิชาเกิดก่อนสังขารเนี่ยคือถ้าเราย้อนกลับไปนึกถึงความเข้าใจเก่าของเราเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้ตั้งปัญหาว่าเออะอวิชากระสังขารกายเกิดก่อน แล้วก่อนก่อน<ๆ><ๆ>นานแค่ไหนเนี่ยก็ว่าจริงนะว่าเราก็นึกว่าอาวิชามต้องมาก่อนต้องมีมาก่อนแล้วสังขารตามหลังคือสังขารชนิดที่เกิดจากอวิชชาตัวนั้นนะ่ะมันควรจะมาที่หลังที่ก็ถูกละ่ะแต่มันไม่ใช่แค่นั้นนี้ผมจะอธิบายตรงนี้ว่าอาวิชชาที่เกิดก่อนสังขารคืออย่างไรตอบว่า เกิดก่อนเนี่ยอวิชชาที่ว่าเกิดนั้นคือเกิดอยู่ในอกุศลแจิตสิบสองเอ า, เาย้อนไปย้ำตรงนี้อีกทีนะเมื่อเราเกิดอกุศลจิตสิบสองขึ้นเมื่อใดเมื่อนั้นชื่อว่ามีอวิชชาปรากฏหรืออวิชชาเกิดถูกไหมฮทีนี้นเมื่อวิชามันเกิดแล้วเนี่ยนะครับแล้วมันก็ดับไป ดับไปแล้วมันก็ทิ้งอํานาจไว้อํานาจหมายถึงอํานาจปกปิดปกปิดอะไรปกปิดอริยสัจทุกสมูทัยนิโรธมักปกปิดไม่ให้เรารู้และความคิดเห็นของเราก็ผิดไปจากที่คนเขารู้เขาคิดเห็นผมก็ต้องย้ำตรงนี้ว่าเราเนี่ย เรามีความรู้สึกมีความเข้าใจว่าทุกเป็นสุขเป็นของดีใช่มหมหลรงพ่อเจ้าต้องมาสอนว่าความเกิดแห่งตาหูจมูกอวัยตนะเป็นความเกิดแห่งทุกความดับแห่งตาหูจมูกลิ้นกายเป็นความดับแห่งทุกนี่ท่านพูดอย่างงี้เราไม่เห็นด้วยไม่รู้สึกเรารู้สึกตรงกันข้ามนี่คืออาการของคนที่เป็น ผู้ที่มีอวิชชาปิดบังและเราก็เห็นว่าตัณหาเนี่ยเข้าใจว่าตัณหาเนี่ยเป็นเหตุให้เกิดความสุขเราจะสุขได้ต้องมีความโลภความติดความยินดีจะสําเร็จอะไรอะไรได้ต้องอาศัยตัณหาเป็นตัวอยา่างใช่ไหมเรารู้สึกอย่างนั้นแล้วก็ถ้ามาีถ้าเราเองเนี่ยมีใครจะมาเสกเราว่าตัณหาเราไม่เกิดเป็นคนตัณหาเหือดแห้งหมดเราจะต้องเป็นทุกข์เลย หมายถึงว่าเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์ตอนที่ตัณหาเรา ย, ยังไม่หมดนะเรารู้สึกเสียดายตัณหาเหมือนอย่างที่ชาวโลกเข้าใจว่าคนไปบวชเป็นพระเป็นเจ้าไปแต่อะไรอย่างนี้นะชีวิตแห้งแล้งไม่เป็นสุขคนไม่มีตัณหานั้นไม่มีคุณสมบัติที่จะสร้างความเจริญให้กับชีวิตแก่โลกได้ที่จะไปบริหารอะไรได้อย่างที่พูดกันนี่มันสะท้อนออกมาจากความเข้าใจในบางส่วน ในผมต้องใช้คาบางส่วนเพราะไอ้ความสำนึกต่อตัญหาเรานะมีกว่านี้อีกเยอะและเราเนี่ยก็มีความรู้สึกต่อความมีขึ้นของทุกของสมุทยัยหรือของสังสารวัตรว่าเป็นของดีของต้องการของปรารถนานิพพานไม่ดี เราเรานี่เราต้องพูดถึงความในใจส่วนลึกแล้วนะนิพพานไม่ดีนิพพานน่ากลัวสังสารวัฏไม่น่ากลัวนิพพานไม่น่าชอบสังสารวัฏน่าชอบนิพพานไม่น่าชื่นใจสังสารวัฏน่าชื่นใจคิดกลับตลบตากับคนที่ไม่มีวิญญาหมดและเราก็ไม่เห็นว่ามรรคเนี่ยไม่รู้นะไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้นิยมว่ามรรคเนี่ยเป็นของประเสริฐ เราเข้าใจว่าสิ่งที่มันเป็นมิจฉามาิมักเป็นของดีเป็นของประเสริฐเหมือนอย่างเรานิยมอกุศลกันโดยส่วนใหญ่อันนี้เราพูดถึงความคึดเชนนอกเนี่ยนะว่าเป็นของดีของประเสริฐจนไม่ว่าจะเป็นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะจนถึงสัมมาสมาธิจนถึงหรือเอายกตัวอย่างสักสองตัวสุดท้ายสัมมาสมาธิสัมมาสติมม เราเราเนี่ยฮะเราไม่ได้คิดว่าสัมมาไอ ต, ตัวสมาธิเนี่ยเป็นของดีของพระเสด็จริงๆหรอกไม่งั้นเราคงจะเป็นขวนขวายทําสมาธิอะไรต่อะไรกันแล้วนะและยิ่งสมาธิอย่างที่มีฐานะเป็นมรรคเนี่ยเราไม่ได้เห็นคุณค่าถึางขนาดนั้นโดยสามมาสำนึกปุถุชนส่วนในนะแล้วสติเนี่ยเราก็ชอบความเป็นผู้ไม่มีสติสติต้องพูดอย่างสติในความหมายสมบูรณ์นะอย่าไปเอาไอ้ความหมายอย่างชาบ้านพูด เราชอบไม่มีสติเห็นความไม่มีสติเนี่ยเป็นของดีเห็นคนมีสติระมัดระวังตัวทุกอิยาบทว่างกราวหน้าอึดอัดหน้าเบื่อหน่ายน่าจะหมดความสุขความเจริญนี่ความรู้สึกเราเนี่ยมันห่างจากไอ้ความสำเร็จของคนที่มีวิชามันก็เป็นปกติอยู่ยนี่เพราะนั้นเมื่อไอ้ความรู้สึกเราเนี่ยมันทับผมอยู่อย่างนี้ พฤติกรรมทางเจตนาของเราทั้งโดยตรงและโดยปริยายซึ่งจะได้พูดให้ชัดในประเด็นถัดไปโดยตรงในหมายถึงมีความปลาลบว่างงอย่างน้นอย่างนี้มันจะอยู่ในกรอบของความไม่รู้ของเราเราคิดดูไง่ายๆว่าคนที่มีโลกกระทัดคับแคบเนี่ยความคิดมันจะถูกจํากัดอยู่ในกรอบให้คิดอย่างนั้นต้องการอย่างนั้น สุนัขเนี่ยมันก็เป็นสัตว์ที่เกิดในกําเนิดเดียร์ฉันมีโมหะจริตเป็นอย่างหนึง่งความต้องการความนึกคิดมันจะอยู่ในกรอบแล้วมาพูดกับเราไม่รู้เรื่องเรานำเอาความต้องการของเราไปเสนอให้มันมันก็ไม่รู้เรื่องแล้วมันก็อาจจะไม่ยินดีอาจจะไปตั้งมันเป็นนายร้อยเอกสุนัขนั่นสุนัขนี้สุนัขตาํารวจมันก็ไม่รู้เรื่องกับเราความต้องการของเขาเขาเป็นอย่างลงไปถึงสัตว์ในอวัยภูหูก็เหมือนกัน ที่ถูกครอบงําด้วยอวิชชาตามชั้นตามภูแม้แต่คนเราเนี่ยเรานี่ถือว่าเป็นอธิบายเปรียบเทียบให้ฟังแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นข้อได้จริงในทางสภาวะอยู่ส่วนหนึ่งด้วยว่าคนมนุษย์เราเนี่ยมีความโง่เรามีความฉลาดต่างกันใช่ไหมฮะเราก็ถูกไอ้ไอคค้ความโงค่ความฉลาดเนี่ยมันครอบงําเราทําให้มันเป็นเครื่องจํากัดพฤติกรรมทั้งโดยกลงโดยกลงคือเรามาคิดอ่าน อย่างเราพูดถึงคนโง่คนปัญญาอ่อนคนไม่ไม่รู้อะไรเนี่ยนะไอพฤติกรรมออกมาอย่างอย่างที่เราเราเห็นเขาไม่อาจที่จะสมาธานยอมรับพฤติกรรมอื่นจากาครอกงำกองอิชาเขาได้เขาก็ก็ออกไปลักษณะอย่างนั้นฉะนั้นไอไอไอสิ่งเหล่านี้ความ ที่มีพฤติกรรมโดยตรงข้อปลาลบข้อปราศาสนาคำปรึกษาความต้องการที่แสดงออกมันก็ออกมาเราเขามองออกคนนี้เขาเขาแสดงความต้องการความปรารถนาอย่างนี้เขาเขามีภูมิปัญญาแก่นี้มีคือมีคือบุตรในมุมลบก็คือพูดโดยความโง่เขลาอย่างนั้นขั้นนั้นอีกคนหนึ่งก็อีกันถึงเขาไปละเมอทึงเปรียบเหมือนกับไอไอความปรารถนาโดยปริยายละเมอก็ละเมอออกมา ในทางจิตไปคิดไปฝันมันก็ออกมาตามครอบงำของอวิชชาโดยปริยายอย่างนั้นเพราะฉะนั้นชีวิตเราปุตติชนเนี่ยเราถูกครอบเหมือนกันหมดอวิชชาจุดที่มันเป็นเพดานติดสำหรับทุกคนปุตติชนเนี่ยมันครอบเราทำให้เราเนี่ยการแสดงออกโดยกลงองครอบปลาลกโดยกลองเราก็พูดปลาลกอย่างคนเมียวิชาทั้ง ในทางดีในทางชั่วที่มันออกมาเป็นความรู้สึกชัดๆความต้องการชัดๆแล้วก็โดยปริยายมันก็ออกมาจากความสํานึกของคนที่มีวิชาครอบงำเนี่ยถึงโดยปริยายและโดยตรงสองสองอย่างนี้ทีนี้อันนี้ผมกําลังชี้ให้เห็นว่าไอ้เราสั่งสมไว้เตรียมพร้อมเป็นอย่างดี คืออวิชชาเราเคยเกิดในอกุศลจิตสิบสองแล้วก็เกิดตีรัยก็บงังแล้วก็ทิ้งอำนาจครอบงำสันดานของเราไว้ความเคลื่อนไหวของความคิดเราเนี่ยมันจึงอยู่ในครอบงำของความไม่รู้อริยสัจเอาง่ายๆว่าเอาง่ายๆงี้นะว่าเราเนี่ยเห็นมีอวิชชาเห็นว่าชีวิตเนี่ยเป็นของดีสังสารวัตเป็นของดี ความต้องการทุกอย่างพฤติกรรมทุกอย่างทั้งโดยตรงโด ย, โด ย, โดยโอ้อมเพื่อสนองตอบความความต้องการที่อยู่ในครอบงำอันนั้นที่สำคัญเน้นว่าชีวิตเป็นของดีใช่ไหมเราก็สแสวงหายอย่างที่คนเลวก็สแสวงหาสังสารวัตรอย่างคนเลวคนดีก็สแสวงหาสังสารวัตยอย่างคนดีคนดีเมื่อเกิดจิตเลว ก็แสวงหาสังสารวัตรอย่างเมื่อจิตเป็นเลวเมื่อจิตเป็นดีก็แสวงหาสังสารวัตรอย่างเมื่อจิตเป็นดีแล้วมันก็ไปถึงอย่างที่ผมว่าแม้แต่คิดจะออกจากสังสารวัตมันก็ยังอุตสาห ค, ครอบนะอวิญญาณก็รอบอยู่ในแวดวงของสิ่งเหล่านี้มันถึงเกิดไอ้ความผิดความถูกในทางการแสวงหาปฏิปทาเป็นอันมากเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็ย้อนกลับมาว่า เราถูกอวิชาครอบงำทั้งเมื่อมันเกิดและเมื่อมันดับไปแล้วเพราะพลังมันยังอยู่อำนาจมันยังอยู่ความนลกคิดของเราจึงเป็นผลจากความครอบงำของอวิชาทั้งสองส่วนนั้นอย่างหลีกไม่พน้นอย่างสลัดไม่ได้ง่ายๆ ถึงคิดว่าจะสลัดก็มันก็ไม่พ้นอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นสังขารมาเกิดเนี่ยไม่ใช่ว่าอาวิชามต้องมาเกิดนำทางให้ก่อนนะเกิดคือพอจะทำบุญเทียวิชามันนำทางไม่จาเป็นต้องนำมันนามาเยอะแล้วมันเกิดซ้าๆทิ้งอำนาจไว้เพียงพอแก่การที่จะทำให้เรานะมีปริยายทางเจตนาอย่างนั้นแคนี้มาอ่านี่พูดถึงเกิดเกิดก่อน นะผมพูดถึงเกิดก่อนเกิดก่อนเนี่ยอาวิชาที่มีมาก่อนเป็นปัจจัยแก่สังขารทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอกุศลทั้งที่เป็นอาเนชาถ้าเราไม่ไปพูดเป็นสามอย่างนักก็พูดสั้นๆแต่ว่าทั้งเป็นบุญเป็นบาปครบหมดเลยทีนี้ในกรณีที่เกิดพร้อมในกรณีที่เกิดพร้อมนั้น หมายถึงในกรณีที่บุคคลทาเกิดอกุศลและจิตคือเมื่อเกิดอกุศลแลจิตได้แก่ทําบาปโดยโลภะโตสามโมหะขณะจิตใดเป็นอกุศลและจิตในจิตนั้นมีอวิชชาปรากฏใช่ไหมฮะอวิชชาในนั้นแหละเป็นปัใจจัยให้เกิดอกุศลสังขารหรืออาปุญญาพิสังขารในขณะนั้น นี่เรียกว่าเกิดร้อมนี่เราก็มาพิจารณาเทียบกันนิดหนึง่งว่าในขณะที่อวิชชาเกิดในอากศรรุศลละจิตอากศรรุศลต้องการปรากฏเนี่ยกับอวิชชาที่เกิดมาก่อนแล้วก็เราทำบุญในสองกรณีเนี่ยถ้าเราจะสร้างสานึกสร้างสำนึกในทางปัญญา เมื่อเราเกิดกุศลลจิตสร้างสํานึกในทางปัญญาง่ายกว่าเมื่อเกิดอากุศลแจิตสร้างสํานึกในทางปัญญาน้อยกว่าเพราะอะไรเพราะวิชามันกําลังเกิดมันเกิดอยู่คุมอยู่ในขณะนั้นเลยเรียกว่าเอาเอาเอ า, เอาดาบจี้หลังอยู่เลยนั้นถ้าเทียบกันระหว่างกุศลทําให้เกิดกุศลสังขารในลักษณะเกิดก่อน อวิชชาทําให้เกิดอกุศลสังขารทั้งสองส่วนเลยครับทั้งก่อนและพรอุกพันแน่นหนามากดูนี่นะอวิชชาที่ทําให้เกิดกุศลเนี่ยตอนจิตเป็นกุศลตอนนั้นอวิชชาไม่ได้เกิดด้วยใช่ไหมมันมีแต่อํานาจที่ตกทอดมาแหล่งเดียวอวิชชาไม่ได้เกิดด้วยแต่เมื่อเราทําบาปเนี่ยใช่ไหม แล้วก็มีอวิชาในจิตก่อนที่มันเกิดและครอบนำอยู่อีกแรงหนึ่งเราจึงอกุศลหรือจิตที่เป็นบาปเนี่ยจึงถูกพันธนาการหรือถูกควบจึงทำให้คนนั้นเมื่อเกิดอากุศลและจิตขึ้นทำอกุศลจิตเนี่ยเมื่อนั้นจึงไม่อาจที่จะนำเสนอสติปัญญา ซึ่งเป็นกระบวนการเพื่อละอวิชชา ต, ต่อไปเนี่ยได้อยากซึ่งจะต่างกับเมื่อเราทำกุศลจิตเป็นกุศลเราสามารถที่จะนาเสนอวิธีการเพื่อจะละอวิชชาได้ง่ายกว่ า, เ, าเพราะฉะนั้นในหลักการเจริญปัญญาในพระพุทธศาสนาชั้นต้นเนี่ยถึงแม้จะว่ากุศลชั้นต้นที่เป็นโลกียากุศลนั้นไม่พ้นไปจากครอบงาอาวิชชาก็จริง แต่กุศลชั้นต้นที่บุคคลกระทํานั้นถือว่าเป็นขั้นตอนเพื่อทําลายอาวิชชาที่มันกล้มามําอย่างที่เปรียบเทียบกัคราวที่แล้วว่ากุศลเช่นบุคคลรักษาศีลอย่างเป็นศีลละวิสุท ธ, ธิทําสมาธิอย่างเป็นทิตตวิสุท ธ, ธิซึ่งเป็นกุศลก็เกิดจากอาวิชชาเหมือนกันอวิชชาเก่าใช่ไหมอวิชชาที่เกิดมาก่อนแต่กุศลอย่างนี้นะ่ะ ตัจากอาวิชชาก็จริงแต่ในบั้นปลายแล้วเนี่ยมันมีผลทําลายอาวิชชาอย่างต่อรากต่อโคนได้ในขั้นแรกกระทํานั้นก็เรียกว่าทําลายละอวิชชาในส่วนต้นๆหยาบๆได้ไปก่อนนั้นอกุศลที่เป็นไปเพื่อการทําลายอาวิชชาก็เกิดจากอาวิชชาเอางี้ก็แล้วกันนะก็เกิดจากอาวิชชา เมื่อใดที่ถอนอวิชชาได้คือเป็นโลกุตระเนี่ยจึงจะเป็นกุศลที่ไม่ได้เกิดจากอวิชชาเพราะฉะนั้นในกุศลที่มีการมกุศลรูปประชานกุศลอรูปประชานกุศลเนี่ยท่านเว้นโลกุตระกุศลไว้ไม่มีโลกุตระกุศลเพราะโลกุตระกุศลนั้นอวิชามิได้ครอบงำอวิชาไม่ได้เป็นปัจจัยให้ โลกุตระกุศนนั้นจึงเป็นผู้ทำลายกุศลได้จริงเพราะไม่ได้รับอุปการะจากอาวิชชาจึงทำลายอาวิชชาได้นี่ก็เป็นเรื่องลึกเลยขึ้นไปนู่นอล่ะเรามาดูอวิชชาที่เกิดหลังสังขารเป็นปัจจัย แกสังขารได้อย่างไรข้อนี้นะความจริงถ้าพูดกันอย่างคนหมู่มากเนี่ยไม่น่าจะมาแจ้งคุณนี้แต่ว่าในทางหลักละเอียดก็เกิดมีผมก็เลยต้องต้องใส่เข้ามาหน่อยว่าการที่บุคคลทำบุญหรือทำบาปแล้วก็ระลึกถึงอวิชชาที่ยังไม่เกิด นะฮะถ้ายกตัวอย่างชัดเลยเนี่ยเช่นคนที่จะเริญสมาธิหรือจะเรียนวิปัสสนาแล้วก็ดูจิตเห็นความเคลื่อนไหวของจิตแล้วก็กําหนดรู้ว่เอาวิชาสังโยชน์หรืออาวิชานิวรณ์เนี่ยที่ยังไม่เกิดแต่จะเกิดด้วยเหตุปัจจัยอันนี้มีมมีขึ้นเนี่ยเดี๋ยววิชาจะต้องเกิด ไอ้ตรงนี้แหละเขาบอกว่าอาวิชชาที่ยังไม่เกิดแต่เป็นปัจจัยให้โดยความเป็นอารมณะปัจจัยแกสังขารที่กำลังเกิดอยู่เป็นปัจจัยอีกรูปหนึ่งอันนี้เราจะได้ย้ำเมื่อเราดูแผนภูมิเดิมที่เขียนไว้ในรูปของปัจจัยต่างๆก็คือว่าอาวิชชาที่มันมาทำให้เกิดสังขารเนี่ยมันมาทำให้เกิดสังขารที่เป็นบุญก็ตามที่เป็นบาปก็ตาม หลายรูปปัจจัยรูปปัจจัยหนึ่งก็คือเป็นเป็นปกติปัจจัยจึงถือเป็นเรื่องสําคัญมากเป็นการครอบงําครอบงําอย่างที่ได้พูดมาเป็นหลักตั้งแต่ต้นๆมาเนี่ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์คือมาทําให้นึกถึงมันเมื่อนึกถึงมันแล้วก็ได้กุศลบ้างได้อกุศลบ้างอันนั้นแหละเรียกว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยแก่ กุศลสังขารแก่กุศลสังขารโดยความเป็นอารมณะปัจจัยทีนี้พอมาเป็นอารมณะปัจจัยเนี่ยวิชา ย, ยังไม่เกิดมันก็นึกได้นะฮะเยอยกตัวยอย่างเช่นว่าเราเนี่ยเรามุ่งที่จะไปะสู่สถานที่ที่เป็นแหล่งอบายมุกไม่ว่าจะเป็นบ่อนการประ น, นันหรือสถานที่ที่เป็นแหล่งอบายมุกอะไรก็ตามเรานะ่ะติดเรียกว่าติด อความหลงที่บุคคลจะพึงเกิดขึ้นจากการเล่นการ น, น, นั้นหรือการดืม่มสุราเมลยัยหรือการไปประพฤติหลงไหลกับไอ้ความรู้สึกที่เป็นอกุศลใดๆเนี่ยก็นึกไว้ล่วงหน้าว่าเราจะไปสู่ที่นี้เพื่อที่จะไปเสพจิตอย่างนี้เราต้องการอย่างนี้สังขารเกิดขึ้นก่อนแล้วใช่ไหมสังขารเกิดขึ้นก่อนไอ้สังขารตัวนี้เนะี่ย มีอวิชชาเป็นอารมณะปัจจัยตัววิชาเป็นอนาคตสังขารเป็นปัจจุบันเกิดก่อนแต่ว่าไอ้สังขารที่เกิดเกิดลักษณะอย่างนี้เนะี่ยมันไม่ใช่ว่าเกิดจากปัจจัยเดียวเนี่ยถ้าที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยนะก็จะลองเขียนให้ดูว่าสมมติว่าเรายินเรายินดีหรือติดติดใจ เกิดความติดใจปลารบว่าจะไปเสพอใบายามุขอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยจิตที่เป็นอกุศลซึ่งมีโมหะอยู่ในนั้นเราก็ปลารบติดใจอย่างนั้นไอตัวความติดใจที่กำลังเกิดเนี่ยชื่อว่ามีอวิชชาในอนาคตเป็นปัจจัยแต่ว่าความติดใจนั้นก็เกิดจากอาวิชชาในอดีต และความติดใจนั้นก็มีอวิชชาที่เป็นปัจจุบันด้วยนี่ในกรณีที่เป็นบาปนะนี่เป็นนี่นี่คือความติดใจที่เกิดขึ้นอย่างเป็นปัจจุบัน<ม><ม>คือโลภะนอกุศลจิตโลภะยกตัวอย่างกันเเดียวเดี๋ยวเราจะไปพรุ่งนี้เราจะไปเพื่อการเล่นการพานันซึ่งเราติดใจว่ามันสนุกอย่างนั้นมันดีอย่างนี้ คนเล่นการมา น, านั้นเล่นโดยกุศลแจิตและเล่นด้วยอกุศลจิตอกุศลแจิตมีโมหะไหมเป็นความหลงอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าหลงกินเหล้ากินด้วยกุศลจิตหรือด้วยอกุศลจิตด้วยอกุศลแจิตฟ้ตอนล้ำขับร้องก็เหมือนกันไปพบป่าสังสรรค์คุยเดรัจฉานคาถาเหมือนกันอันนี้ก็พูดลมแสลงใจเราบ้างไม่ตะแหลงใจเราบ้างก็ไม่ฟังเสียงกันละ นะว่าไปตามสภาว่าของธรรมะเราก็นึกอย่างนี้มันไม่ใช่เหมือนอย่างเรามาไป ม, มาสู่ที่ฟังตามสู่ที่ปฏิบัติตามเมื่ไรล่ะหรือถ้าการณีกรณีหนึ่งคนร้อนผ้านเหลืองไม่ไม่อาจที่จะอยู่จะบทอยู่ต่อไปได้ก็คิดว่าจะสึกอารมณ์ที่นำไปสู่ความสึกมันก็เป็นไม่มีใครมา น, นึกเออสึกจะได้ก็ดีจะได้ชาน ท, ทันทีสึกซะได้ก็ดีจะได้มักได้ผล ท, ทันที จะได้พิญญาไม่นึกอย่างนั้นเครับนึกแต่เป็นเรื่องของของอ่าเรียกว่าขี้หิตสาสังโยชน์สังโยชน์ที่เป็นเครื่องลอยลัดชีวิตผู้กลองเรือนเพราะฉะนั้นในกรณีอย่างเนี้เราเห็นชัดว่าความติดใจที่เกิดขึ้นกรณีอย่างนี้ถูกอาวิชาลุมรอบด้านอาวิชาทั้งปัจจุบันที่เกิดอยู่ในความติดใจนั้นด้วยเพราะความติดใจเกิดนีวิญญาอยู่บงัง แหล่งหนึ่งแล้วอาวิชาในอนาคตในอดีตที่เราสะสมเกิดไว้อำนาจมาหลงเหลือคุ้มเข้าไปอีกทีหนึ่งอาวิชาในอนาคตที่เรายินดีติดใจวิ่งเข้าไปหาเหมือนมาแลงเมาบินเข้ากองไฟหรือตะกัแตนบินเข้ากองไฟอย่างในวิสุทธิมารเทียบมันก็เลยลุมดักหน้าดักหลังครบทั้งสามการเลยเพราะนักูอากุศลเนี่ย จึงตกอยู่ในอวิชชาทั้งสามการพูดด้วยยากให้ปัญญาด้ดยยากเจริญในปัญญาโดยยากเมื่อจิตยังเป็นอกุศลแต่พอจิตเป็นอกุศลเนี่ยอวิชชามันมันถูกเขาเรียกว่าโดยธรรมดาเนี่ยมันก็ปูุกลดพลังลงไปบางส่วนถึงจะเหลือบางส่วนก็ยังเป็นของที่จะถอนได้ง่ายโดยลำดับต่อต่อไป จิตเป็นกุศลจึงเกื้อกูลต่อการถอนอวิชชาวเหตุนี้านะฮะนี่คือคำตอบเรื่องอวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารใดๆมันครบสามการอย่างนี้อวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารสังขารเป็นผลอวิชชาเป็นเหตุตัวเหตุนั้นมีทั้งที่เกิดมาก่อนมีทั้งที่เกิดปัจจุบันแล้วก็มีทั้งที่จะเกิดในอนาคต เป็นเหตุเป็นปัจจัยในฐานะนต่างๆกันอย่างนี้อันนี้เราจะย้ำกันอีกทีเมื่อพูดถึงกระแสของปัจจัยที่เป็นตั ว, ต, วตัวไปอันนี้ก็มาดูว่าดูที่ตั้งเป็นลูกคาถามที่สอง 3, 2, ว่าหากอาวิชาเกิดก่อนสังขารเกิดก่อนนานแค่ไหนหากเกิดหลังเกิดหลังนานเท่าไหร่ตอบคาตอบเนี่ยไม่จากัดไม่จำกัด ถ้าเกิดล้อมไม่ต้องถามว่าร้อมนานแค่ไหนมันมันเป็นปัจจุบันโลกคนหกันไม่จํากัดถ้าเราจะสมมุติซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้ไะว่าตั้งแต่เราเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่เนี่ยนะปฏิสนธิอย่างลงเลื่อยมาเนี่ยเราไม่เกิดอกุศลและจิตอะไรเลยจนถึงอายุเจ็ดขวบมันไม่มีนะนั่นคืออวิชชาไม่ได้เกิดไม่ได้ปรากฏโดยในจิตที่เป็นโลภะเป็นโทสะเป็นอะไรเลยเนี่ยนะ แต่อวิชาเคยเกิดไม่ใช่ก่อนในระหว่างเจ็ดโกนุ่ยไม่เกิดเกิดใช่ก่อนแต่ถามว่าเราพ้นไปจากอำนาจครอบงำมันไหมไม่พ้นครับอวิชาเนี่ยเขาจะเกิดหรือไม่เกิดจะเกิดบ่อยหรือเกิดไม่บ่อยเมื่อเรายังไม่มียานอย่างรู้อริยสัจสี่เราก็ไม่พ้นครอบงำของอวิชาเมื่อมีจิตโผล่ขึ้นมาเป็นบุญเป็นบาปต้องเป็นสังขาร ที่สำเร็จด้วยอวิชชาเป็นปัจจัยแน่นอนเท่านั้นทีนี้ถ้าเราถามว่าถ้าอย่างนั้นแล้วอวิชชาเกิดบ่อยกับเกิดไม่บ่อยเนี่ยมันมีผลต่อสังขารเท่ากันหรือไม่เท่ากันบ่อยไม่บ่อยมหมายความว่าอากุศลจิตไม่ค่อยได้เกิดหรืออากุศลจิตเกิดอย่างไม่หยาบ กับเกิดอย่างอยากอากุศลจิตเกิดบ่อยเกิดไม่บ่อยนานๆถึงเกิดทีเกิดอย่างทียิบเมื่อมาปรุงแต่ง่สังขารเนี่ยเท่ากันไหมมนมีผลต่อสังขารเนี่ยเท่ากันไหมไม่เท่าไม่เท่าไม่เท่าอย่างไรอันนี้ก็ตอบได้ว่าไม่เท่าเนี่ยคืออย่างนี้ถ้าใครเกิดอวิชชาบ่อยๆ และอวิชชาห ย, ยับหยาบย่อมเป็นปัจจัยแก่อกุศลสังขารได้หยับหยาบและเป็นปัจจัยแก่อคุศลสังขารได้บ่อยๆเพราะว่ากิเลสเมื่อเกิดหยับหยาบเกิดบ่อยๆไอ้กิเลสหลังๆที่จะมีโอกาสเกิดก็เกิดหยับหยาบ่อยๆนี่ถ้าหากว่าอาวิชช า, านานเกิดและเกิดไม่หยาบกุศลสังขารอย่างดีก็มีโอกาสเกิดกับเราเพียงแต่เราบอกว่า อวิชาที่เกิดอย่างละเอียดไม่เกิดอย่างบ่อยๆเนี่ยทำให้กุศลสังขารดีขึ้นแต่ถึงอย่างไรก็ถือว่ายังเป็นผลผลิตของอวิชาอยู่นั่นเองก็พูดอย่างนี้เป็นผลผลิตของอวิชาอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าจะกล่าวกันอย่างเบ็ดเสร็จว่าอาวิชาที่เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเนี่ยจะกรณีใดยาละเอียดแค่ไหนอย่างไร ยกไว้ก็ไม่ติดเงินไขไว้จะเกิดก่อนหน้านานมากน้อยแค่ไหนไม่สำคัญขอให้ยังละไม่ได้แต่นั้นเนี่ยคือยังทำลายวิชาไม่ได้มันก็ยังปิดอริยสัตตรสี่ทำให้จิตเราเคลื่อนไหวไปในทางนั้นทางนี้อยู่ในครอบงาของวิชาอยู่นั่นเอง น, นี่คือคำตอบในประเด็นสองต่อไปอาวิชาที่เป็นปัใจจัยให้เกิดสังขาร มีความปรารถนาต่อสังขารหรือไม่คือหนึ่งปรารถนาว่าสังขารจงเกิดสังขารจงอย่าเกิดปรารถนาว่าสังขารนี้จงเกิดสังขารนี้จงอย่าเกิดปรารถนาว่าสังขารนี้จงเกิดอย่างนี้สังขารนี้จงอย่าเกิดอย่างนี้คือด้วยอ่ากรรมบทอย่างนี้ไม่ไม่ด้วยกรรมบทอย่างนี้ด้วยอารมณ์นี้ไม่ใช่ด้วยอารมณ์นี้ หรือว่าสังขารแปลว่าสังขา น, นี้จงเกิดเพื่อผลอย่างนี้ <_ S 1> เพื่ออย่างนี้คือเพื่อผลอย่างนี้เกิดเกิดคือเพื่อทําอันนี้เพื่อจะเอาผลอันนี้จงอยากเกิดเพื่ออย่างนี้อ่ะนี่นี่คือปล่ อ, อ, อยประเด็นของความหลเรามาดูในส่วนรวมๆว่าอาวิชาที่ว่าเป็นปัจจัยแก่สังขารเนี่ยมีความจงใจมีความปรารถนามีความตั้งใจว่า อสังขารที่จะเกิดหรือไม่ลองถามตัวเองแต่ละคนแต่ละคนหน่อยได้ไหมว่าเราจะตอบว่าอย่างไรเอวิชานะมันคิดล่วงหน้าไหมคิดไหมว่าเอาละ่ะขอให้เกิดอ่าที่ตอบว่าไม่คิดก็ถูกตอบว่าคิดก็ถูกมันมีสองอย่างมีสองอย่างมีทั้งสองอย่างเช่นคนกําลังมีอกุศลจิตปรากฏ แล้วก็คิดวางแผนเพื่อจะทำบาปเขาจงใจใช่ไหมละ่ะจงใจจะเอาสังขารจงใจจะสร้างสังขารว่าจะฆ่าว่าจะด่าว่าจะขอโกรธว่าจะขอยินดีติดใจโลภอย่างนั้นอย่างนี้มีนี่เราตอบได้ว่าอันนี้มีจริงๆคือมีในลักษณะปรากฏอยู่ในสำนึกเราอีกส่วนหนึ่งเนี่ยไม่มีปรากฏอยู่ในสำนึก อยู่ๆเหตุปัจจัยมันก็ทำให้ปรากฏก็ขนาดว่าเราเนี่ยเราคิดว่าไม่ๆม่ไม่แม่มันเชื่อไหมเอาวิชามบอกว่าไม่ๆมเนี่ยเราพูดถังคิดด้วยอวิชานะว่าไม่เราจะไม่ใจอ่อนเราจะไม่สงสารแต่พอเอาเข้อจริงไปเจอหน้าลูกมาขอโทษก็โวยก็ใจอ่อนให้เงิน ให้อภัยและแต่นะด้วยเหตุปัจจัยยัพอหนาทั้งที่ล่วงตั้งจิตล่วงนาวใหม่คือคือไอ้ที่ว่าไม่ไม่ในทางกุศลเนี่ยบางคนนะ่ะก็อยงว่าอย่า ง, าางตามภาษาคนเมียวิชานึกว่าอากุศลมันไม่ดีเมตตาไม่ดีให้อภัยมันไม่ดีนะตอนคิดด้วยโมหะกาบอกไม่ดีไม่ไม่ต้องใจแข็งยังงี้อย่างนี้แต่เขาจริงแล้วก็เราก็ต้องยอมก็เราคิดดูก็แล้วกันว่า คนที่คิดจะไปฆ่าพระพุทธเจ้านี่ตอนคิดมีวิชาปรากฏครอบงำใช่ไหที่พระเทวทัตสั่งสอนแล้วก็แต่ละคนนี่ไม่ได้คิดจะไปเปลี่ยนใจกลางทางหรอกก็จะต้องฆ่าพระพุทธเจ้าแต่ครั้นพอไปพบพระพุทธเจ้าเปลี่ยนใจที่วางไว้เป็นชั้นๆ น, น, น, นะเปลี่ยนใจไหมคะเลยเปลี่ยนใจกันหมดเลย อาวิชาทีแรกที่ปรารถนาไว้ทีแรกแทนที่จะได้เป็นปัจอาวิชาจะเป็นปัจจัยแก่อปุญญาพิสังขารกลับมาเป็นปุจจัยแก่ปุญญาพิสังขารแทนที่และในทำนองเดียวกันเราคิดด้วยอวิชาด้วยกิเลสปรารถนาว่าเอาอย่างนี้แล้วกันชัดเลยว่าคิดว่าเราอยากแกบวชอย่างนี้นะในลายที่ว่าแหม เจ็บปวดเจ็บช้ำมามากแล้วเหมือนอย่างพระในสมยัยพุทธกาลก็จะบวชสัทีบวชแล้วก็จะไม่สึกละ่ะอย่างพระจิตตาหันตาเสร็จแล้วก็ไปบวชบวชแล้วปรากฏ ว, ว่าก็เกิดสึกคือแต่ว่าตอนบวชของของของท่านเนี่ยท่านไม่ได้คิดบวช ด, ด้วยกุศลจิตนะเรียวกว่า บ, บวชในลักษณะที่ อาใสยบวชเลี้ยงท้องนะฮะบวชเลี้ยงท้องที่พะแกเป็นคนยากจนคนเลี้ยงโคก็ไปบวชก็คิดว่าจะไม่แล้วไม่มาอยู่กลองเรือนแล้วทั้งที่ตัวเองก็มีมีภรรยายอยู่เนี่ยก็ไปบวชบวนเอาท้องตัวเองรอดคนเดียวไปบวชพอไปกินดีอยู่ดีข้าก็กิเลดมันก็มีแรงก็คิดจะสึกก็สึกออกมาทั้งที่ไม่คิดจะสึก รสึกอยู่อย่างนี้ทั้งเจ็ดครั้งทั้งที่เมื่อบวชแล้วเพื่อนก่อนล้อเพื่อนกอน็พยายามที่จะไม่ให้สึกหละสถานการณ์เนี่ยตัวเองไม่ควรจะต้องฝึกออกมาแต่ในที่สุดก็สึกด้วยความไม่ได้ตั้งใจไม่ได้จงใจไว้เลยจากอวิชชาอวิชชาจงใจอย่างหนึ่งแต่ว่ามาทําสียอีกอย่างหนึ่งเป็นได้อยอย่า ง, งเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็ไม่แน่ถ้าถามว่าไม่แน่เพราะอะไร มันแน่อยู่อย่างเดียวคือแน่ที่จะทำให้เกิดสังขารแต่จะเป็นสังขารอะไรที่ไหนยังไงเนี่ยมันไม่แน่เพราะอาวิชานั้นไม่ใช่เป็นผู้สร้างไปเสียทุกอย่างไม่ได้เป็นผู้ธิรกิจไปเสียทุกอย่างอาวิชาสร้างให้สังขารเกิดอย่างไรนั้นจะต้องไปบวกกับเหตุปัจจัยและเหตุปัจจัยนั้นคืออะไรที่ทำให้เกิดการปลุงแปรเหตุปัจจัยก็มากมายหลายอย่าง ทั้งเหตุปัจจัยในส่วนดีส่วนไม่ดีจึงทําให้กลายเป็นอย่างนั้นไปได้กลายเป็นอย่างนู้นไปได้ก็อวิชานะเป็นแต่ปัจจัยตัวหนึง่งที่มีอํานาจเป็นแต่เพียงทําให้เกิดสังขารแต่จะเป็นในรายละเอียดอย่างไรนั้นต้องให้ปัจจัยอื่นเข้ามามีส่วนด้วยในการทําให้เกิดรายละเอียดเป็นต่างๆกันก็เลยคําตอบว่ามันมีมีสองทั้งจงใจทั้งไม่จงใจ ทั้งเป็นไปตามจงใจทั้งไม่เป็นไปตามจงใจอ่านี่ก็ดูว่าไอ้เครื่องเกิดไม่เกิดนี่เหมือนกันจะเกิดหรือไม่เกิดเนี้ยไม่ได้คิดมันก็ ม, นกมันก็เกิดได้อ่าเราเรานึกด้วยให้ดีนี่นะเราเมื่อเรานั่งนั่งวังธรรมะนั่งทําบุญนั่งทํำสมาธินั่งทํงทาศีลอยู่ด้วยจิตเป็นกุศลเนี้ย เป็นระยะเวลาคืนกัวันเวลาไปรักษาศีลถ้ามจิตเราสงบดีทําสมาธิ ช, ช, ช, ชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงจิตสงบดีเป็นกุศลจริงๆเสร็จแล้วเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งอกุศลมันก็พวดพลาดมาจากไหนก็ไม่รู้ถามว่าอกุศลตัวเนี้ยเราได้คิดไม่แต่แรกก่อนทำสมาธิหรือว่าเดี๋ยเธอออกจากสมาธิเมื่อไร่แล้วจะต้องเกิดอกุศลได้ให้หนามใจเลยไม่ได้เคยคิดไม่ได้ต้องการเลย แล้วมันโผล่ขึ้นมาได้ยังไงอาวิชานะอาวิชาที่ได้สั่งสมไว้และเมื่อเหตุปัจจัยที่จะทําให้เกิดอากุศลอย่างนั้นมาผสมมาเสกเข้าอากุศลหลังขานั้นก็โผล่ขึ้นมาในทํานองเดียวกันกุศลหลังขานบางอย่างเหมือนกันบางทีไม่ได้เป็นไปตามความตั้งใจเราจริงๆเนี่ย น, นะ อย่างที่ว่าคนเข้าวัดคนได้รับความรู้สึกในธรรมโดยไม่ได้ตั้งใจเกามีเยอะแยะอยู่ๆก็โผล่เพื่อปลาขึ้นมาถูกไหมฮะลองคิดดูก็แล้วกันว่าประยชน์เนี่ยได้ตั้งใจไว้แต่ไหนแต่ไร ห, หรือว่าอ่ากําลังเมาอยู่ว่าเราจะขอเมาซะให้พออยู่ในประสาทสามฤดูเนี่ยสนุกซอให้พอในในเบญจกรรมคุณเดี๋ยวพวกนี้เ่ะเราจะต้องเกิดความรู้สึกเบื่อไหนให้ได้ แล้วก็จะต้องไปเฝ้าพหาคนปลดเปื้องให้ได้แล้วก็จะต้องทําใจให้พ้นไว้จากความเบือนไหยไม่เคยคิดเลยใช่ไหมไม่เคยคิดแต่อยู่ๆเนี่ยก็มาเกิดความเกิดกุศล ส, สังขารขึ้นในยามลุ่งของคืนวันนั้นถามว่ากุศล ส, สังขารที่เกิดขึ้นเนี่ยมีอะไรเป็นปัจจัยนะแล้วก็บอกเ้าเคยสังสมมา ทำให้เกิดความรู้สึกนี้เอาแล้วอวิชามาเกี่ยวตรงไหนอวิชาก็มาเกี่ยวตรงที่ว่าตัวท่านเองยังเป็นผู้ที่ไม่ยังมีมีอวิชาไม่ได้บรรลุอริยสัจสี่ไอ้ความต้องการความปรารถนาเท่าที่ความรู้สึกของปุสนในระดับนั้นจะพึงรู้สึกได้อ่อันนี้ผมก็ต้องพูดให้เห็นชัดเลยเท่าที่ความรู้สึกของปุสนในระดับนั้นจะพึงรู้สึกได้ อันนี้ผมก็ต้องพูดให้เห็นชัดอีกนิดนึงว่าคือสุรจิตเมื่อเกิดเนี่ยมันจะมีไอความรู้สึกหนึ่งเยื่อยใยในสังขารในในวัฏฏะอย่างกรณีของของพยศเนี่ยนะถึงความคิดจะพ้นจาอะไรเนี่ยมันก็อย่างในลักษณะที่ครึ่งวิวัตครึ่งวัฏฏะเหมือนอย่างเราอเราในะอยากไปนิพพาน น, นิพพานที่เราอยากไปเนี่ยมันนิพพานจริงๆเนะ หรือเป็นนิพพานที่เราเอาวัฏฏเข้าไปยัเดเยียดให้ด้วยสร้างภาพขึ้นมาอย่างเนี่ยเราก็ปนปนอยู่ในความคิดอย่างนี้แต่เมื่อใดเราพัฒนาวิชาเราดีขึ้นเนี่ยเราก็ค่อยๆทำส่วนแห่งความคิดนี้ให้มีความเป็นวิวัตตะชัดเต็มมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นบริบูรณ์เ ม, มื่อไหลก็แปลว่าวิชาเราก็ปลอยหมดไปด้วยเหมือ น, นั้นะ อ่าทีนี้มาดูประเด็นสี่นิดหนึ่งอ่าประเด็นสามเนี่ยเกิดเป็นอันว่าไออ่าเมื่อกี้ว่าจงเกิดจงม่เกิดผมพูดเอาร่แล้วต้องดูประเด็นสองซะด้วยนิดหนึ่งเพราะมันมีแง่มุมจะต้องพูดว่าสังขารนี้จงเกิดสังขารนี้จงอย่าเกิดถามว่าเราห้ามได้อย่างใจไหมเอาวิชาเนี่ยมันห้ามได้อย่างใจไหมว่ามันอยากสังขารนี้มันก็อยากให้เกิดเกิดอาวิชาในตัวสัขึ้นมาก็เกิดความรู้สึกว่าอยากสองกันนี่ในกรณีที่จงใจนะ ล้วู้ถึงกรณีที่จงใจอยากให้สังขารนี้เกิดสังขารนี้เกิดตามว่ามันสมใจอยากของอวิชชาโดยส่วนเดียวหรือมีทั้งสมใจอยากทั้งไม่สมใจอยากมีทั้งสองอยา่างในกรณีที่อวิชชามันจงใจมันปลาโลกเนี่ยมาเป็นข้อตรงเนี้ยสมใจอยากก็มีไม่สมใจอยากก็มีสมใจอวิชชาที่จงใจก็มีไม่สมก็มี มีสองอย่างทําไมถึงสมบังไม่สมบังล่ะมันก็อยู่ที่เหตุปัจจัยตัวอื่นครับอยู่ที่เหตุปัจจัยตัวอื่นเหตุปัจจัยตัวอื่นก็คืออุปนิสัยที่เราสั่งสมมาบ้างกัลยาณมิตรบ้างเข้ามาประกอบกันหลายๆอย่างโยนิโสมนทิการเฉพาะหน้าขนาดนั้นบ้างทีนี้ส่วนที่ว่าสังขาร น, นี้จงเกิดอย่างนี้จงอย่าเกิดอย่างนี้หมายถึงว่า เราจะตั้งใจว่าจะทำบุญด้วยบุญกิริยาข้อนี้หรือจะถ้ายกตัวยอย่างอย่างที่มันเห็นชัดกับอย่างพวกเราหน่อยก็คือบาีทีลรวเราเนี่ยตั้งใจว่าจะไปทำภาวนาด้วยการกำหนดอารมณ์นี้เช่นกำหนดอ้างวอางก็ยุบกรากฏว่ า, วาทำไมทาแล้วมันมันไม่อยู่ที่ทองไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่ ลมบ้างเพราะอะไรเพราะเหตุปัจจัยของคนคนนั้นเขาเคยทำลมมามันก็ไม่ฟังแต่ทำไปทำมาแล้วมันก็ฟังนะเราสร้างเหตุปัจจัยหลายเอยงขึ้นมามันก็พอฟังได้บางคนก็ไม่ฟังบางคนก็อาจจะทำได้ทั้งสองอย่างนั้นบางคนเนี่ยทำได้ทั้งสองอย่างหรือสามอย่างบางคนก็ทำได้เฉพาะอย่างแล้วแต่เหตุปัจจัยแต่ละคนที่แตกต่างกัน เพรฉะนั้นเรื่องบาปว่าจงเกิดอย่างนี้บางทีมันก็ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราตั้งใจจะให้มันเกิดด้วยอารมณ์นั้นด้วยวิธีการอย่างนั้นด้วยบุญกิริยาหรือด้วยอกัตตนกรรมบุอย่างนั้นอย่างนี้อย่างใจเราแล้วก็ขอพูดสักอีกข้อสี่สี่ข้ออย่าเกินเวลามีเยอะนะว่าสังขารนี้จงเกิดเพื่ออย่างนี้อันนี้คือจะเอาผลนะจงอย่าเกิดเพื่ออย่างนี้ยิ่งตรงนี้เนะยิ่ง ไม่ค่อยฟังเสียงเลยโดยเฉพะอย่างยิ่งคนที่จงใจจะให้จงใจจะทำบาปบาปนี่ยิ่งไม่ไม่ตรงกับความตั้งใจเดิมของตัวคนที่มีวิชาครอบงำเนี่ยเพราะมีอวิชชานะแล้วสำคัญว่าบาปเป็นของดีที่จะตอบสนองความต้องการได้ก็นึกว่าข้าเขาตายแล้วตัวจะได้ดีมีสุขอย่างนั้นอย่างนี้ลํำเป็นไปตามใจมะ หรือว่าข่าเขาบูชายานแล้วตัวจะไปสวรรค์อย่างนั้นอย่างงี้มันก็ไม่ได้เป็นนี่คือกรณีที่จงใจแต่ว่ากรณีที่คนทําบาปยังไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้อีหนอี้เน่ถ้าลองทํามันไปถูกช่องของบุญของบาปอย่างใดเข้ามันก็ต้องเป็นไปตามนะ น, นะคือเป็นไปตามการลอ ง, องเหตุปัจจัยอื่นที่มันจะต้องให้เป็นอย่างนั้นอวิชามก็แค่ว่าทําให้เกิดขึ้นมาได้ ส่วนจะจงใจเต็มตะตรงตามใจอวิชชาหรือไม่เนี่ยมันไม่แน่แต่บางทีมันก็ก็ตรงตรงก้อมีเหตุปัจจัยย่ห้สำเร็จตามนั้นวันนี้เราก็คงจะต้องยุติอย่างนี้